หน้าห้สัตตมีวิพัฒน์ข้อ2ข้อ2อสัตตมีวิพัฒน์ในอัตสามิตสังราทิโยคะสามิตสังราทิโยคะสามิคำหนึ่งอิสังระคำหนึ่งอาทิคำหนึ่งในที่ประกอบโยคะเนแปลว่าประกอบนะในที่ประกอบด้วยสรรพที่แปลว่าสามีและอิสังระเป็นต้น สามีศัพท์และอิสระศัพท์เป็นต้นนั่นเองนะให้แปลว่าไนถ้าประกอบด้ศัพท์เหล่านี้แปลว่าไนสัตวมีวิพัฒน์แปลว่าไนแปลว่าอย่างอื่นไม่เอาแปลว่าไนเท่านั้นดูตัวอย่างดูซิมีโคสุกี่โคสุสโคสุแปดโคสุแโคสุโคสุแปลว่าในโ ค, นโคทั้งหลายมาดูคำที่เราจะต้องแปลคือสามี สามีแปลว่าเจ้าของอิสังโรแปลว่าผู้เป็นใหญ่อธิปติแปลว่าผู้ปกครองผู้ครอบครองนะผู้ครอบครองทายาโทแปลว่าทายาทแปลว่าผู้สืบทอดผู้สืบต่อผู้สืบทอดสักขิผู้ดูแลปติภูผู้มีหน้าทู่ผู้มีหน้าที่ ปะสูตโตผู้เกิดกุสโลอะละทีเนีน้โคสุสา ม, มีเจ้าของในโคทั้งหลายแสดงว่าคนนี้เป็นเจ้าของโคโคสุอิสังโรผู้เป็นใหญ่ในโคทั้งหลายก็พูดเลี้ยงโคอีกแหละคนเจ้าของโคอยูแหละโคสุอธิปติ ผู้ครอบครองในโคทั้งหลายก็เป็นเจ้าของโคโคสุทายาโทผู้สืบทอดในโคทั้งหลายไม่ใช่ลูกโค <laughs> ลูกของนายโคบาน <laughs> หมายว่าพ่อตายไปไม่มีมรดกตกทอดให้ก็ให้โคนี่แหละหนึ่งฝูง <laughs> ไม่ใช่ลูกของโค ทายะทายาทในโคหมายถึงผู้ที่เป็นทายาทในในฝูงโคนะก็คือได้รับฝูงโคเป็นมรดกตกทอดโคสุสัก ข, ขิผู้ดูแลในโคทั้งหลายโคสุปฏิภูผู้มีหน้าที่ในโคทั้งหลายก็คือทำทุกอย่างเกี่ยวกับโคนี่แหละโคสุปสูโต ผู้เกิดในโคทั้งหลายก็คือกเกิดในท่ามกลางฝูงโค <ś les> เกิดมาเหลียวซ้ายก็มีโคเหลียวขวาก็มีโคไม่ใช่หมายถึงว่าในฟาร์มโคอย่างเนี้ยใช่ไหมในฟาร์มเลี้ยงโคหมูบม่ บ, า บ, านนบา้านหมู่บ้านหมู่บ้านนายโคบาลเนี้ยเกิดก็คือเกิดท่ามกลางฝูงโคนั่นแหละเพราะว่าหันหน้าหันหลังไปไหนก็มีแต่โคเดินไปหมดคบามคนที่เกิดนี่อาจจะเป็นคนก็ได้ไม่ใช่โค อ๋อนี้ไม่ใช่โคนี่หมายถึงคนอ่านี่หมายถึงคนไม่ได้หมายถึงลูกโคไม่ได้หมายถึงลูกโคหมายถึงคนเกิดในตระกูลเจ้าของโคอ่ะเกิด <celebrities> <c oughs> <c oughs> ในโคเกิด <c oughs> ในฝูงโคเกิดในท่ามกลางฝูงโคเกิดเกิด <c oughs> ในฟาร์มโคอย่างนี้ละกันไม่ใช่อยู่ห้างอื่นแล้วไปเกิดในในเล้าในคอกโคไม่ใช่ เป็นพโคเยซูไปแล้วต่อไปโคสุกุส โ, โลโคฉลาดในโคทั้งหลายไม่ใช่ความฉลาดอยู่ในโคไม่ใช่โคฉลาดแต่หมายถึงว่าคนเนี้ยฉลาดในการเลี้ยงในการดูแลในการเลือกสายพันธุ์ในการดูว่าโคต้นไหนอายุเท่าไหร่โคต้นไหนแข็งแรงโคตัวไหนอ่อนแอโคตัวไหนสอนง่ายโ ค, โคแม่โคตัวไหนน้านมมากน้ํานมน้อยอะไรพวกนี้ยมีความรอบรู้เกี่ยวกับโค หนังสือหนังสือก็โปรดทักกะปันนะคันทะคันทะก็ได้คันทะไม่ใช่คันทะคันทะคัมพีอ่ะหรือไม่ก็โปธกะหรือไม่ก็ปันนะส่วนใช้คันทะก็ใช้คันเถสุสามีใช้สัตถีก็ได้แต่ถ้าใช้สัตถีแล้วมันจะมีมันจะหากริยามาใส่ อย่างเช่นหนังสือของพระมุธิตะใช่ไหมแล้วก็เป็นมุทิตัสสะโปทเกะไอโปทกังอะไรอย่างเนี้ยหนังสือของนายมุธิตะอะไรอย่างนหนังสือของนายพุทธรักิตะกับพุทธรักขิตัสสะคันโถนั่นหมายถึงเราเน้นที่หนังสือนะแต่ถ้าเราเน้นที่คนว่าคนเป็นเจ้าของหนังสือ แล้วก็บอกว่าคันเถสุแล้วก็ใส่สามีใส่อิสังระใส่ปฏิอธิปฏิใส่ทายาธาเนี่ยได้นั้นแหละอ๋อถ้าชัดถีเนี่ยมันจะหมายถึงเป็นเจ้าของหนังสือเหมือนกันแต่เราจะเน้นความอยู่ที่หนังสือไม่ได้เน้นความที่คนแล้วก็บอกว่าหนังสือของนายสมชายเราพูดถึงนายสมชายหรือพูดถึงหนังสือหนังสือของนายสมชายเนี่ย เราก็เน้นที่ตัวหนังสือเพราะหนังสือเป็นประทานถ้าเราจะบอกว่านายสมชายเป็นเจ้าของหนังสือแล้วก็บอกว่านายสมชายเจ้าของหนังสือแล้วก็บอกว่าเจ้าของหนังสือถ้าหนังสือของนายสมชายแล้วก็เป็นสมชายฮะไอสมชายยสุสมเป็นไงสมชายยสุอสย <laughs> ไอสมชายมันเป็นภาษา อสมชาเยสุอย่างนี้เลยสมบาเรียนไม่มีมีแต่สำมไม่แล้วก็อย่าไปใส่เอาชื่อภาษาไทยไปใส่วิพัตน์มันไม่เข้ากันไอคําว่าสมชายเนี่ยนะจริงๆมันก็คือสมปุริโสนั่นแหละชายแท้ไอสมชายเนี่ยถ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็ใส่สมชายนามะ ปุริโสใช่ไหมแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> สมชายนามะปุริสัสสะปโปทกังโปธกังหนังสือสมชายนามะปุริสัสสะของนายสมชาย <S <S 2> <S 2> หรือจะบอกว่านายสมชายเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสมชายปโปทเกสุสามีนายสมชายเนี่ยเป็นเจ้าของในหนังสือทั้งหลายถ้ามีหนังสือเล่มเดียวก็ โปธเกหนังสือหลายเล่มกับโปธเกสุถ้านายสมชายเนี่ยไม่ใช่เจ้าของหนังสือหรอกพ่อเขียนเอาไว้ลิขสิทธิ์มันตกทอดมาถึงนายสมชายก็ต้องใช้ว่าทายาโทถ้าเป็นผู้ดูแลให้เฉยไม่เป็นเจ้าของด้วยไม่อะไรด้วยก็สักขีสักขีในภาษาไทยก็มาใช้สักขีพยานเบอร์ทงการเป็นเป็นประธานใช่ เราเน้นที่ตัวคนหรือตัวหนังสือแล้วก็เอาตัวนั้นมาเป็นปฐมาวิพัฒน์ตัวขยายเป็นวิพัตน์อื่นละต่อไปใครยังไม่เคยเห็นโคไม่มีนะเห <c oughs> ็นทะุกคนถ้าใครยังไม่เคยเห็นจะถ่ายรูปมาให้ดู <c oughs> อต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีแต่เครื่องจากคนแล้วจะไม่มีให้เห็นแล้ว ถ้าใครเคยเห็นแล้วก็วาดรูปติดผนังบ้านเอาไว้ลูกหลานมาไม่เคยเห็นจะได้ดูว่าอ๋อนี่มันตัวอะไรเนี่ย